แล้วเขาก็เดินทางต่อไปขณะกำลังจะออกพ้นจากประตูพระนคร น, นั้นก็ได้เห็นนายทุนผู้มั่งคั่งคนหนึ่งจับนางทาสีคนหนึ่งเอาไว้แล้วทำการเคี่ยนตีด้วยเชือกอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือนางแม้แต่สักคนเดียวเขาจึงสงสยัยสอบถามผู้คนบนถนนนั้นว่านางเป็นใครกันเล่าทำไมจึงต้องโดนเคี่ยนตีถึงป่านนี้ คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอกนางทาสีนี้ชื่อว่าธนบาลีธนนี่คือธนเด า, เารั์สมบัติข้าวของอะไรต่างวันธนาบาลีนี่ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือนางรวย <c oughs> นางร่ำรวยนั่นเองนางรวยนางเป็นคนจนยืมเงินของนายทุนมาแล้วไม่มี แม้ดอกเบีย้ยใช้คืนให้แก่เขานายทุนจึงทําเอาถึงปานนี้ได้ยินดังนั้นนายบาปก็สว่างวาบในใจแหมปิงเลยนะ <c oughs> แม้ชื่อนางรวยแต่ที่แท้กับยากจนเข็นใจเสียนี่ชื่อนั้นไม่อากทําให้นางร่ำรวยขึ้นได้เลยชื่อเป็นเพียงภาษาสำหรับเรียกขานกันเท่านั้นจริงๆหนอแหมเริ่มเริ่มชัดขึ้นอีกแล้วนะ ชัดขึ้นกับเดิมแล้วว่าเออชื่อไม่สามารถจะมาแก้อะไรให้ให้นางคนนี้ล่ำรวยได้เลยเขาเริ่มปรงตกกับชื่ออันเป็นเพียงสมมุติของโลกจึงตั้งใจเดินทางกลับสำนักอาจารย์เอาแล้วนะพอพอแค่เห็นเห็นแค่สองลายเท่านั้นเองนะได้ปัญญาละได้แง่คิดละปรงปรงตกละบอกเออมันก็แค่นี้นะเตรียมเดินทางกลับบ้านเลย ไอ้กับสำนักนะแต่ในระหว่างทานนั่งเองได้พบกับชายคนหนึ่งเข้ามาถามทางว่าขอโทษเถอะครับผมเดินหลงทางช่วยบอกทางไปสู่นครตักกศิลาแก่ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งในในบาปก็บอกว่าอ้าวพอดีเลยผมก็จะเข้านครนี้เช่นกันไปด้วยกันได้ครับผลชื่อปาปกระหน้าชักเชื่อมั่นนะนะ ชาเคียบันตัวเอง น, นะครับนี้ประกาศชื่อเลยบอกผมชื่อปาประกะแล้วท่านเล่าชื่ออะไรกันนี่นายคนนั้นก็บอกผมชื่อปันธ ก, กะครับปันธ ก, กะแปลว่าผู้ชํานาญทางแหมเรื่องนี้เข้าใจแต่งเหลือเกินนะอนะชื่อนายเจนทางชื่อนายชำนาญทางชื่อนายแม่นทางอะไรอย่างนี้นะปันธ ก, กะ พอได้ยินชื่อเขาเท่านั้นนายบาปก็เอ่ยขึ้นทันทีว่าท่านชื่อว่าเจนทางก็ยังอุสาเดินหลงทางได้อีกหรือมันเป็นแง่คิดดีนะอาตมาว่าอาตมารู้สึกว่ามันอะไรอะ่ะมันเน็บเน็บแหนะนะเป็นภาษาที่เหน็ บ, เ น, บเน็บกันอยู่ว่าดูสิบอกว่าชำนาญทางเหลือเกินนะก็ยังอุสาหลงทางตอนนี้นายเจนทางก็เลยบอกว่า โทษท่านเอย๋ยจะชื่อเจนทางหรือชื่อไม่ชํานาญทางก็เถอะมีโอกาสหลงทางได้เท่ากันหมดนั่นแหละเพราะชื่อไม่ได้ช่วยให้รู้จักทางที่ยังไม่เคยรู้จักหรอกครับนะฟังตอนจบเพราะว่าชื่อชื่อเจนทางชื่อแม่นทางอะไรก็แล้วแต่ชื่อเนี่ยไม่ได้ช่วยให้รู้จักทางที่ยังไม่เคยรู้จักหรอกครับ เพราะนั้นเห็นไหมถ้าใครก็ตามที่สมมตินะถ้าเราเองเนี่ยเราชื่อพระอรหันต์นะโอ้โหชื่อชั้นหนึ่งนะถ้าใครกล้าตั้งนะชื่อนายอรหันต์แต่ปรากฏว่ายังไงนายอรหันต์นี่นะโอ้โหไม่รู้เลยกิเลสเป็นยังไงนะกิเลสหน้าตายังไงทั้งกินสูบดื่มเสพประรเละเท่ไปหมด นะไม่รู้เลยเพราะนั้นต่อให้ชื่อนาย阿拉าหาันก็เหอะก็ปรากฏว่าเออมันก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละหลงเลอะอยู่กับกิเลสอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำให้ให้ให้หลุดพ้นขึ้นมาได้เลยใช่มก็เหมือนกันคําตอบยิ่งทําให้นายบาปหมดสงสัยในเรื่องชื่อยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเดินทางกลับถึงสานักจึงตรงไปหาอาจารย์ อาจารย์ถามเขาว่าเป็นอย่างไรเล่าเจ้าบาปได้ชื่อที่ถูกใจเป็นสิริมงคลแล้วหรือยังในบาปก็บอกว่าท่านอาจารย์ครับธรรมดาคนคนเราถึงจะชื่อว่านายเป็นก็ต้องตายถึงจะชื่อว่านางรวยก็ยากจนถึงจะชื่อว่านายเจนทางก็หลงทางได้ชื่อเป็นเพียงภาษาบัญญัติสาหรับกาหนดใช้เรียกกันเท่านั้น จะรุ่งเรืองหรือล้มเหลวจะโชคดีหรือเคราะห์ร้ายไม่ได้อยู่ที่ชื่อเลยแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของคนคนนั้นฉนั้นสำหรับเรื่องชื่อใหม่ของผมพอกันทีผมจะใช้ชื่อเดิมต่อไปครับท่านอาจารย์โอ้อาจารย์นี่เข้าใจสอนลูกศิษย์อย่างที่ไม่ต้องสอนเลยนะ คนมีศิลปะเนี่ยบางทีสอนคนอื่นโดยที่แทบไม่ต้องสอนเลยนะแต่ความเป็นจริงแล้วเท่ากับว่าอาจารย์เนี่ยก็คงจะพอรู้จากลูกศิษย์คนนี้นะแล้วก็พอที่จะคำนวณนคำคณ์อะไรได้ถึงได้ต้องใช้ไม้เนี่ยต้องปล่อยให้ลูกศิษย์ไปเจองี้งี้งี้งี้นะแล้วเดี๋ยวจะรู้เองอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะบางคนนี่สอนแล้วสอนอีกเหมือนกับที่เนี่ยที่บอกว่าอะไร ไม่รู้จักทางที่ยังที่ยังไม่เคยรู้จักเนี่ยชื่อมันช่วยไม่ได้เหมือนกันถ้าบางทีเนี่ยพูดให้ตายยังไงนะบอกเลิกอย่าไปทำอย่างเงี้ยนะไอ้ทุเรียนอย่าไปกินยิ่งกินก็ยิ่งติดนะเงินอย่าไปมีมากยิ่งมีมากยิ่งงกนะหรือว่าอะไรอีกอะใส่เสื้อสวยๆเนี่ยยิ่งใส่มากๆนะยิ่งกินมากๆนะยิ่งยิ่งนอนมากๆ โอ้ยยิ่งมีกามมากนะอะไรอย่างเงี้ยต่อให้บอกต่อให้อะไรยังไงเนี่ยถา้าถ้ามันยังไม่เมือไม่มีสภาวะมันมันฟังยังไงมันก็ฟังเอาไว้อะมันก็จำเอาไว้แต่ว่ามันมันไม่เข้าถึงอะ่ะเออมันก็ยังไม่ยอมแก้มันก็ยังไม่ยอมปรับไม่ยอมทําจนกว่ามันมันถึงถึงจุดเข็ดน่ยนะถึงจุดที่เรียกว่าต้องยอมรับสภาพแล้วคนนั้นก็เลยเออถึงจะยอม ปรับยอมเปลี่ยนแล้วคนเราจริงๆเนี่ยจะยอมปรับยอมเปลี่ยนจริงๆเลยนะต้องคนนั้นรู้เองไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นบอกให้ต้องคนนั้นรู้เองรู้จริงๆเลยถึงจะโอ้ยเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนะกลัวแล้วอย่างนี้มันน่าละอายจังเลยนะไม่ทําอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะเลิกจริงๆแต่ถ้ายังไม่ถึงมันมันมันไม่เลิกจริงอะ่ะอย่าเพอเพลกก็เอาแล้วขอนิดขอหน่อยอะ่ะ นะให้มันได้มาเสพก็เอาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเราเราดูตัวเราให้ดีเออเราเนี่ยยังเหลือเศษเหลือเชื่อเหลือขนาดไหนนะถ้ามีมากเนี่ยโอ้โหลูรู้เลยว่าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราติดแต่ว่าเราแกล้งหน้าด้านเอาจริงจริงเลยรู้เลยนะแต่เราแกล้งหน้าด้านมาเอาแล้วนะ้ขอหน่อยเถอะอย่างเงี้ยต้องขออีกสักครั้งเถอะนมันมันมัน ผูดง่ายว่ามันทําไปทั้งที่รู้เลยอ่ะเพราะบอกตรงๆว่ารู้อยู่กับใจเนี่ยแหละไม่ไม่มีใครต้องมาบอกว่าแม่เราหน้าด้านทําลงไปได้ไงแต่เราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่บังคับไอ้กิตที่มันดีเนี่ยที่มันขึ้นมาแล้วมันรู้แล้วของเราเนี่ยนะบังคับมันลงไปให้มันด้านมันจะได้กล้าทําได้แล้วก็ทําจริงๆด้วยเพราะว่าไปบังคับฮิริแล้วโอตะป่านี้ให้มันด้านซะ ไม่ให้มันเกิดความรู้สึกละอายไม่ให้มันเกิดความรู้สึกเกรงกลัวมันก็เลยทําได้เพราะฉะนั้นใครเนี่ยยิ่งไปข่มยิ่งไปบังคับฮิลิและโอตาปของตัวเองมากเท่าไหร่นะคนนั้นยิ่งกล้าทําไม่ดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วฮิลิและโอตาปเนี่ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับ อ, อ, อัตโนมัติเลยที่ียกว่าถ้าคนดีไปทําปับ๊บขึ้นปุ๊บทันทีคนดีไปแตะปั๊บนี่ขึ้นปุ๊บทันทีเลย มันมันจะเป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะเป็นของคู่กันเลยของคู่กับนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไปทำบาปปั๊บฮิริโอตปะต้องขึ้นทำบาปปัต้องขึ้นทันทีขึ้นสูงขึ้นมากนะแล้วแต่บุคคลถ้าสมมติว่าเราไม่ด้านมากฮิริโอตปะสูงถ้าเราด้านมากก็คือนะเราขม่มมันเราบังคับมันเราอะไรมันก็แล้วแต่ทำให้มันด้านด้านด้าด้าน้านลงไปเรื่อย นะคือถ้าอย่างนี้กิเลสเราหนากิเลสเราจะหนานเรื่อยเรื่อยเพราะเราก็จะไ like ล่การบังคับมันไปเรื่อยเรยเพราะนั้นก็หวังว่าจริงๆแล้วเพราะนั้นอย่าไปเสียใจหรืออย่าไปทุกเวลาที่เราไปทําอะไรไม่ดีแล้วโอโ้โหมันเจ็บปวดนะ้ำมันทรมานใจเราให้รู้เถอะดีแล้วนั่นแหละแสดงว่าเรามีสิ่งดีอยู่มันถึงได้รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกละอายนะหรือแม่จะแม่แต่จะใช้คําว่าทุกข์ก็ตาม นะมันต้องเกิดขึ้นตามสัจจะก็ทำสิ่งไม่ดีเนะี่ยมันต้องทุกข์สินะมันต้องเจ็บปวดสิก็จริงจริงเราทำดีได้แล้วทำไมเราไม่ทำดีนะเนี่ยแล้วเนี่ยแหละมันจะทำให้เราเนี่ยก็เออขวนขวายทำดีขึ้นมาแล้วนะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายพออาจารย์ฟังลูกศิษย์บอกว่าเอาละจะใช้ชื่อเดิมดีแล้วที่เจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตได้ไม่ง่งมหลงไปกับภาษา และตัวอักษรของชื่อเท่านั้นนะอาจารย์ก็อนุโมทนาพระาศาสดาทรงนำชาดกนี้มาแสดงแล้วตรัสว่านายบาปในครั้งนั้นได้มาเป็นพระประปะกันในบัดนี้ส่วนอาจารย์ทิสาปาโมกนั้นได้มาเป็นเราตถาคตนั่นเองจบชาดกเรื่องนี้อ่ะยังพอมีเวลาเดี๋ยวจะมาจะแถมมานหน่อย จะทดสอบทดสอบว่าใครจําได้มั่งทดสอบคือจากเรื่องนี้นี่นะสิ่งสําคัญที่บอกว่าชื่อนั้นไม่สําคัญใช่ไหมสิ่งสำคัญอยู่ทีออ่อยู่ที่กรรมหรืออยู่ที่การการะทําเพราะฉะั้นกรรมต่างหากละ่ะที่เป็นเหตุทําให้คนเราดีหรือไม่ดีชื่อมันเป็นรองมันไม่ได้เป็นเรื่องสลักสําคัญเท่าไหร่เลยนะยกเว้นเอาล้วนะ ยกเว้นชื่อมีอิทธิพลถ้าคนนั้นยังหลงชื่ออยู่ฟังดูให้ดีนะถ้าคนนั้นยังติดใจเรื่องชื่ออยู่มันมีอิทธิพลจริงแต่ชื่อจะไม่มีอิทธิพลเลยถ้าคนนั้นไม่หลงชื่อแล้วไม่ติดชื่อแล้วจะชื่ออะไรก็เอามาเหอะสามารถที่จะเป็นคนดีได้ทั้งนั้นนะ่ะต่อให้จะเอาชื่อในบาปในกรรมในเวรในจองเวรในอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถ ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นคนดีได้ทั้งนั้นเพราะว่าชื่อนี้ไม่มีอิทธิพลต่อใจคนนี้แล้วเพราะฉั้นเกมสําหรับคนนี้จะเอาชื่ออะไรมาก็ได้แต่คราวนี้แหละแม้อย่างนั้นก็เหอะในที่สุดมันก็ต้องมีสมมุติที่ต้องตั้งชื่อกันใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้พูดกันมาตอน ต, อนตอน้นๆว่าถึงยังไงก็ตามคนเราก็หนีไม่พ้นว่าคงต้องมีชื่อเรียกกันแล้วชื่อนั้นก็เป็นไปตามวิบากกรรมด้วยเหมือนกันนะ เอาละคราวนี้จะถามเรื่องวิบากกรรมนะพุทธเจ้าท้ามีตัดไว้อย่างเช่นบอกว่าคนเราเนี่ยนะผลผลของกรรมนี่นะอา้าวคนเรานี่ถ้าค่าสัตว์ตัดชีวิตนะค่าคนค่าสัตว์อะไรต่างๆเนี่นะนะบ่อยๆค่าสัตว์มากๆนะผละกรรมที่จะทำให้คนนั้นเกิดมาเป็นคนอีกจะเป็นอ่าจะอายุสั้นอ่านะ นะจะอายุสั้นแล้วถ้าจะอายุยาวทำไ ง, งก็จะต้องเมตตาจะต้องไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปฆ่าสัตวร์ปร่อชีวิตอื่นอา้าวแล้วถ้าสมมุติคราวนี้เบียดเบียนสัตว์อื่นหรือว่าคนคนอื่นโดยที่ไม่ถึงขั้นไปฆ่าแกงเขาอาจจะเด็ดขายุงเล่นสักขาสองขานะอาจจะอะไรนะแหมที่บอกว่าอะไรนะเอาไม้เสียบก้นแมงป อ, ห ร, อหรืออะไร ใช่หรือเปล่าใช่ใชไม้เสียบก้นแมงปอเปล่าอ๋ อ, อไอไดอกหญ้าใช่ไหมอ๋อเดอกหญ้าเสียบก้นแมงปอเออแล้วให้มันบินเอ่อนะเอาผลผลกรรมใครเนี่ยเบียดเบียนสาสต์อย่างนี้ไม่ถึงตายผลจะทําให้ <c oughs> ทําให้เป็นเสีดวงเอ่อ <c oughs> เอ า, เอามีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้เอ่มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่พูดโดยรวมๆสิพูดโดยร ว, วมว่าอะไร <c oughs> เออจะทําให้ มีโครคภัยไข้เจ็บมากนะหรือว่าเจ็บป่วยมากนะและตอนนี้จะให้เจ็บป่วยน้อยอะทำไงใช่ก็จะต้องพยายามช่วยเหลือชีวิตอื่นนะบางทีมันบาดเจ็บมากมาอะไรมั่งเราก็พยายามนะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือแม้แต่ผู้คนก็ตามแม้แต่สัตว์ก็ตามนะพยายามนะมีคนถามอาตมาว่า เอแม้แต่มดเนี่ยแม้แต่มดเนี่ยมันมีจิตวิญญาณหรือเปล่ามีหรือเปล่าเขาเขาบอกว่ามดมันตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวสิเขาบอกว่ามดมันตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะเอ๊ะวิญญาณมันจะเล็กเล็กตามไปด้วยไหมส่วนคนตัวโตใช่ไหมวิญญาณจะโตกว่าไหมเอาถามหน่อยสิฮะเอาวิญญาณมีหรือเปล่าเดี๋ยวถามก่อนมดมีวิญญาณไหม คนมีวิญญาณไหมหมดมันตัวเล็กคนตัวโตวฮะแล้ววิญญาณมันจะตัวเท่ากันหรือเปล่าฮะเอา้าให้ยกมือให้ยกมือใครว่าวิญญาณไม่เท่ากันมั่งหมายถึงว่าวิญญาณมีใหญ่มีเล็กอ่าอ่อาอ่ามีมีหนึ่งเสียงอา้าใครว่าวิญญาณเท่ากันยกมือ มันก็มีอยู่2 อ, อย่างเท่านั้นนะนะวิญญาณมีใหญ่มีเล็กกับวิญญาณเท่ากันเท่านั้นเองเอาไหนให้เหตุผลที่ที่บอกว่ามันมีใหญ่มีเล็กมันมันทำศาสตร์แต่ละชนิดหรือว่าคนแต่ละคนทํากรรมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวิญญาณก็เลยไม่เท่ากันเหรอใครทําบาปมากวิญญาณอาจจะก้อนโตหรือไงความรู้สึก ผลไม่เท่ากันเอาถูกสิผลไม่เท่ากันนะผลมันต้องต่างกันแน่นะเขาเรียกว่าความต่างของกรรมนะความต่างของผลกรรมแต่นี้เราพูดถึงวิญญาณดวงวิญญาณนั่นแหละเอาเดี๋ยวถามคุณลักษณะของวิญญาณก่อนคุณลักษณะของวิญญาณใครบอกได้บ้างว่าเป็นยังไงหนึ่งพ่อท่านพูดบอยวิญญาณนางอนิทัศนนางอนันตัง สัพพะโตวะพังอะไรต่างๆโอ้พ่อพูดอยู่บ่อยๆเอาไม่มีตัวตนนะไม่มีแสดงว่าไม่มีรูปร่างใช่ไหมดูนะมันไม่ได้มีรูปร่างนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามันมีใหญ่มีเล็กมันไม่มีใหญ่มันไม่มีเล็กหรอกวิญญาณเราจะบอกว่ามันเท่ากันจริงๆมันก็ไม่ได้ก็มันไม่มีใหญ่มีเล็กมันจะไม่มีเท่ากันอะไรเออแล้วิญญาณใครมันก็เออมันก็เรียกเป็นดวงๆกันไปอย่างนั้นนะ แต่จริงๆมันไม่ได้มีรูปร่างไม่มีตัวตนมันเป็นภาษาที่เราสมมุติขึ้นมาว่าเรียกเป็นดวงๆกันไปแต่จริงๆเน่มันเราไม่รู้หรอกนะของช้างวิญญาณจะดวงใหญ่ของมดวิญญาณจะดวงเล็กอะไรเงี้ยเราไม่รู้มันหรอกเพราะไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนเข้าใจไหมแต่สิ่งมีชีวิตนะที่เป็นสัตว์เป็นคนพวกนี้เราก็ถือว่ามีวิญญาณอยู่นะมีวิญญาณอยู่ เพราะฉะนั้นจะเป็นมดมันก็มีวิญญาณของมันดวงหนึ่งของมันเหมือนกันจะเป็นคนก็มีวิญญาณดวงหนึ่งของคนแต่ว่าจะมีค่ามากน้อยกับกันยังไงอันนั้นแล้วแต่ผลกรรมแล้วแต่วิบากกรรมแล้วแต่การสะสมของแต่ละชีวิตนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่แต่ละชีวิตสะสมมายัางไงนะอันนั้นก็ต่างกันไปทําอะไรนะทําน้ำมันถูกมด ถ้ามันว่ายน้ำไปมันคงไม่ตายหรอกหรือถ้ามันไม่ป่วยอยู่หรือถ้ามันมีเครื่องชูชีพอยู่มันก็คงไม่ตายโตจะไปตอบคุณได้ยังไงหรอกเอาบางตัวมันกลัวน้ํำมันอาจจะตายเอามันถ้ามันไม่กลัวเงี้แล้วมันว่ายน้ําไป็นมันจะไปตายยังไงไม่ไายเอาก็เหมือนคุณจะเอาคุณไปอยู่ในสระว่ายน้ํานานๆคุณว่ายจนหมดแรงผงก็ อาจะมาว่าคุณก็มีสิทธิจมน้ําตายอะไรโอ้แหม่ไม่น่าจะถามเลยนะแต่มาว่าฮะก็คิดจากตัวเราบ้างก็ได้นะอ๋ออ๋อนี่รู้รู้มากรู้มดแดงจมน้ํามากก็ไม่ตายมันก็อยู่เป็ดตัวไหนลอยน้ําเป็ดตัวไหนจมน้ําอีกหรือเปล่าอ้าวมีมีเป็ดจมน้ําตายไหมเออทาไมเป็ดจมน้ําตาย เป็นมันป่วยเป็นมป้ายไม่ได้เห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสีที่มันจะตายได้นะเพราะฉะนั้นแล้วโถใครจะไปรู้แล้วว่ามันจะตายหรือมันจะไม่ตายยังไงไม่รู้หรอกแต่เหตุผลมันมีตั้งเยอะแยะตั้งมากมายที่จะทำให้มันบางทีมันก็นะโอ้โหเทโคมลงไปนึกว่ามันน่าจะตายเออมันไม่ตายแฮใครจะไปรู้ล่ะนะแต่ว่าเอาละถ้าเราคิดคร่าวๆโอ้โหกูเล่น เทน้ําขันหนึ่งนะฮละหมดมันตัวนี้เดียวอะ่ะโอ้โหแค่กําลังน้ําตกลงไปนี่มันอาจจะตายก็ได้นะแต่บางทีมันก็ไม่ตายโอ้ใครจะไปรู้ล่ะแต่ว่าเราก็อย่าประมาทเพราะาเราทําให้ตายเขาก็ชีวิตนึงเหมือนกันนะเราก็ต้องระวังอาจารนี้ถามต่อนะว่าสามทุมแล้จะถามอย่างรวดเร็วนะตอบอย่างรวดเร็วตอบอย่างรวดเร็ว ผลของการลักทรัพย์ผลผลตามมาคื อ, อทำให้ทรัพย์พินาศนะผลของการผิดศีลข้อสามทำให้นี่นี่นี่อาจจะมาจะเอาคำตอบตามตำรานะแต่ใครตอบใกล้เคียงก็ถือว่าผ่านาตามตำรานี่คือทำให้มีศัตรตูแล้วก็ถูกฟองร้ายผลของการพูดเท็จ ข้ อ, อ่จะถูกกล่าวตูทวงด้วยคำที่ไม่จริงผลของการพูดสอเสียดผลกรรมนะอย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คือคือจะแตกจากมิตรหรือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีใครอยากคบเป็นมิตรด้วยเาผลของการพูดคำหยาบผลกรรมคือ คำยาพูดคำหยาบคือจะอยู่กับเสียงที่ไม่น่าพอใจแมนี่เด็กเขาตอบอาตมาอย่างไรรู้ไหมเช้าเนี้ยอาตมาไปสอนพออาตมาบอกบอกผูก้คำหยาบปับ๊บเขาตอบบอกจะทําให้ปากเหม็นแม่เขาตอบอย่างรวดเร็วทันทีเลย <c oughs> จริงกับบา้าจริงกับบ่าคนพูดคําหยาบนี่จะทําให้ปากเหม็นนะ จริงหรือเปล่าคนที่พู้โกหกเนี่ยเขาแปลงฟันนะป่ะเขาใช้ยาสีฟันหรือป่ะแล้วเขาเป็นโรคอะไรในปากก็ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คาตอบว่าปากเหม็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไหมายความจริงๆโดยตรงว่าจะทําว่าให้ปากเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นหรอกแต่จริงๆแล้วมันทําให้มันถึงว่าจะได้รับโทษภัยเพราะปากมันแหละนะคําว่าปากเหม็นของเขาเนี่ยอือ่าตอนนี้พูดเพรสเจอ ผลก็คือพูดเพ้อเจ้อทำให้ได้รับคำที่ไม่ควรเชื่อถืออันนี้เสพของเสพติดมึนเมาให้โทษทำให้เป็นบ้านะมีอีกยังมีอีกจะถามอย่างรวดเร็วคน ม, มักโกรธมักโกรธชอบขัดเคืองใจชอบพยาบาทชอบ จองเวนคนอื่นเขาชอบเวลาอะไรอ่ะหุดหงิดเพ่งโทษคนอื่นเขาผลกรรมคือจะทําให้คนนั้นผิวพันธซามยุ้อไอผิวพันธ์ซามไม่ได้หมายความว่าต้องตัวดํานะนาใครใครใครไม่ตอบเหมือนเด็กเป๊ะเลยามาไปสอนเด็กวันนี้เด็กก็ตอบทําให้ตัวดำอาตมาบอกเปล่าพุ่นจีนดีไหมนะ ที่จริงผิวพันซามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวดำนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผิวพันซามบางคนเนี่ยเขาผิวผิวคล้าก็จริงนะหรือเขาจะผิวดำก็จริงโอ้โหแต่ผิวเขาดีจังเลยนะอะเหมือนมารากอนเนี่ยมารากอสีม่วงเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกแขกดำเหราอมารากอมรกอผิวซามหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะฮะ คืออันนั้นนะมันเป็นเรื่องของสีผิวเข้าใจไหมว่าอาจจะเป็นสีเหลืองคือมันแล้วแต่ภูมิประเทศแล้วแต่สภาพที่อยู่ใช่ไหมคุณเคยเห็นเหรือพวกเอธิโอเปียที่เขาอยู่นั่นนะโอ้โหแดดร้อนๆแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยยังให้เขาตัวขาวจ๊ว้อมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้คาว่าผิวพันซามเนี่ยมันหมายถึงว่าอย่างเช่น เป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นอะไรอะ่ะเป็นผิวหยาบใช่ไหมเออมันมันไม่สวยมันน่าเกลียดนะมันอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ต่างหากแล้วมันผิวพันสามบางคนเนี่ยได้ดิบได้ดีมานะสั่งสมบุญกุศลมานะทําให้เขาเอารูปร่างหน้าตาดีนะผิวพันธ์ก็ดีเขาอาจาจะใจเย็นมาก่อนก็ได้นะทําให้เขาก็เลยมีสรีระที่เย็นนะก็เลยไม่ตัวดําก็ได้ อาสมมตินสมมติสม ม, ต, ส ม, ม, ต, ส ม, มติตามที่สมมติมาแต่คราวนี้พอปรากฏว่าชาตินี้นะเขากลับไม่เอาบารมีเก่าหรือว่าไม่เอาสิ่งที่สั่งสมมาเนี่ยมาทำสืบต่อนะเขากลับไปทำตัวเองให้มันแย่ลงนะไปหงุดหงิดไปขี้โกรธไปสั่งสมความเพ่งโทษไปสั่งสมตัวเกียดชัง นะมุ่งร้ายคนอื่นเข้าอะไรต่างกันนาคราวนี้แหละเดี๋ยวเซลเดี๋ยวแะรมก็จะเปลี่ยนไปตามแหละเพราะว่ามันไปตามกรรมเข้าใจไหมแต่มันให้ผลทันตาทันทีหรือเปล่าสมมุตินะคราวนี้เนี่ยจากสิ่งที่ดีเขาเคยมีแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเป็นไม่ดีเนี่ยจากแต่แต่ต น, นี้ไอ้ผลไอ้ผลที่เขามีร่างกายมีชีวิตนี้มาเนี่ยมันมาจากผลอะไร เอามันผลจากเก่าเขามีมาเขาถึงมาได้อันนี้เพราะฉะนั้นคุณจะไปบอกว่าเอ้ยก็ตอนนี้เห็นเขาโกรธนี่ก็ผิวพรรณเขาต้องซามเลยทันทีนะมีได้เหมือนกันถ้ามันเหตุปัจจัยมาลงตัวพรุทธเจ้าถึงพูดถึงเรื่องกรรมว่าทันทีทันตาเห็นมีนะอย่างแรกก็ที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังอนะ่ะที่มีหมอคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหโกรธลูกโกรธจนกระทั่ง สายตานี่เสียจนทั้งตาบอดเลยก็มีนะครับโอ้โหบางทีมันทันตาเห็นเลยก็มีถ้าเหตุปัจจัยมันมั น, ม, นมันถึงจุดมันแล้วเป็นไปได้แต่พระเจ้าท่านก็บอกว่าบางทีในชาตินั้นเองนะคนนั้นเน่ะเขาทำไม่ดีแล้วแต่บารมีเก่าเขายังมีอยู่เพราะนั้นมันไม่ทันตาเห็นหรอกมันอาจจะอีกเดือนหนึ่งอีกสิบปี แล้วมันถึงปรากฏผลจากผลที่เขาสะสมไว้ใหม่เนี่ยจากผลที่เขาสะสมไว้ใหม่อ่ามันค่อยไปส่งผลตามวิบากรรมที่เขาทําใหม่นั่นอีกนะแต่ว่ามันไปตามคิวไง เ, เขาเคยทําดีมาเอา้าเขาก็ได้ดีมาสิแต่พราวนี้พอสะสมไปเคยเห็นไหมเอ้ยอาตมาเคยเห็นนี่แหละพวกที่มาอยู่วัดเนี่แหละต่อให้บางทีเป็นปะเป็นนาคด้วยโอ้โหบางที มันขึ้นเนรอนะมันหงุดหงิดมันเพ่งโทษมันอะไรอะ่ะทำให้จิตสงบระงับไม่ได้เนี่ยเห็นมโอ้โหหน้าดำเลยจริงจะจะเคยมีสีผิวปกติเนี่นะเหมือนเราๆท่านทนเนี่ยนะเสร็จแล้วพอเกิดสภาวะจิตอย่างนั้นแล้วโอโ้โหหน้าดำจริงๆใครๆเห็นก็รู้เลยว่าโอโ้โหคนนี้ไม่ได้ไปตากแดดตากไปนอนพึ่งให้แดดเผาอะไรที่ไหนเลยนะ โอ้โแต่ดำเลยจริงๆเห็นแล้วก็รู้ทันทีเลยบอกโอ้โหนี่มีฤทธิ์มีแรงขนาดนี้เฉยเหรอจิตของคนที่มันมันคิดมุ่งร้ายมันคิดเพ่งโทษมันคิดอะไรเป็นเลยจริงๆนี่นี่ยังไม่พูดถึงหน้าตาที่ว่าบางทีเคร่งเครียดหน้าตาที่มันแบบบอกบุญไม่รับบึ้งตึงอะไรพวกนี้นะนี่พูดแค่สีผิวเท่านั้นเองยังเป็นได้เลยวันนี่คืออย่างที่สองว่าแล้วรอรอโอกาสรอเวลาว่า ส่งผลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในชาตินั้นนั้นหรือผู้เจ้าท่านตัดยังตัดสุดท้ายว่าแม้ในชาตินั้นส่งผลไม่ไ ม, ไม่ไม่ทันก็จะตามไปชาติหน้าเหมือนกับเนี่ยคนเขาบอกเนี่ยท่านท่านไปทําอะไรเนี่ยเอาดอกยาไปแทงก้นแมงปอว่ะไปอะไรหรือเปล่าอาตมาบอกโอ้ยมันมาไม่เคยเลยชาติเนี้ยนึกไม่ออกว่าไป ทำไร้ก้นสัตว์ตัวไหนนะไม่เคยอ่ะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก็เลยนึกอยู่เออถือว่าเป็นชาติก่อนก่อนโน้นก็แล้วกันเราคงไปเคยทําอะไรไว้นะถึงได้ต้องมาบาดเจ็บที่ก้นอย่างเงี้ยอือ้าวนี่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยจะผิวพันสามอันนี้ถ้าสมมุติว่าไม่โกรธไม่จองร้ายไม่เพ่งโทษไม่พยาบาวแม่อะไรใครนี่จะทําให้เป็นผลผ ล, ผลจะทําให้ ผิวพันณดีแต่ในนี้เขาไม่ได้ใช้คําว่าผิวพันดีเขาใช้ว่าเป็นผู้น่าเลื่อมใสเพราะอันตมาถึงบอกไงต่อให้เป็นปาวุ้นกินตัวดําปีก็เหอะใช่มโอ้มีคุณธรรมมีความดีมีอะไรอย่างต่างนะไม่จองเวนใครไม่อาฆาตใครมีเมตตาเฉยซ้ําไปอะไรสมมตินะต่อให้เขาเป็นคนตัวดําก็เหอะเขาก็น่าเลื่อมใสเพราะอัตมาถึงบอกว่าผิวพันณซ้ำไม่ได้หมายความว่าตัวดำ แหม ย, ยกตัวอย่างพันเตสันตาตทิโต อ, อน่าเรียมใสได้อ่าตอนนี้ต่อไปคนที่มีใจริษยาโอ้โหเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีใจริษยาอยู่มากนะตอนนี้เอาละถ้ามีใจริษยาเอาริษยาอะไรบ้างริษยาโอ้ยดูสิเขาได้กินมากกว่าเราเขากินหลายมื้อกว่าเราบ้างริษยาโอ้ยเขามีเงินมากกว่าเรา วิ่งเขาแต่งตัวสวยกับเรานะ่ปริษยาคนอื่นเขาหรือริษยาว่าโอ้ดูสิคนนั้นน่ะใครๆก็ไปคุยด้วยกับเขาไม่มาคุยกับเราเลยคนที่มีใจริษยาอย่างเงี้ยจะทําให้ผ ล, ลกรรมก็คือมีอะไรนะมีศักดาน้อยยิ่งริษยาใครมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีศักดาน้อยพูด ง, ง่ายๆก็คือว่ามีคนให้เกียรติหรือว่า ยกย่องสรเสริญเนี่ยน้อยนะยิ่งบมริษยาใครมากเท่าไหร่ก็คนอื่นเขาก็ยิงยิงไม่ให้ค่ามากเท่า น, นั้นนี่ยนะในมุมตรงข้ามคือถ้าเราไม่ริษยาเนี่ยก็จะทำให้เรามีศักดามากอ่าตอนนี้ผู้ที่เอาทำบุญทำทานมากอะ่ะนะให้ข้าวให้น้ำให้อะไรต่ออะไรสมณะพราหมงอะไรต่ออะไรมัง่ง ทำให้มีโพคะมากนะถ้าใครไม่ค่อยให้ก็มีโพคะน้อยก็คือจนอ่าตอนนี้ถ้าเป็นคนกัดด้างเย่อหยิ่งนะจองหงอะไรอะหลงตัวประเภทหลงตัวฆ่ากันแน่อะไรอย่างเงี้ยผมดีบากก็คือจะทำให้ถ้าตายแล้วก็เกิดมากเา็เกิดในสกุลต่ำ ที่จริงคำสกุลต่ํามันก็เหมือนกับผิวพันณซามเหมนะสกุลต่ําไม่ได้ไหมายความว่าเป็นคนจนไม่ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นคนจนต่อให้รวยก็เถอะเราจะเรียกว่าเป็นสถุนเป็นคนสกุลต่ําก็ได้ถ้าถ้ายังไงเออถ้ามีนิสัยเย่อหยิงจองหองหวั่ตื่อถือดีนะไอ้กริยาซ้าๆาต่างๆเหล่านี้ ไปอยู่ที่ใครคนนั้นก็สกุลต่ําทั้งนั้นนะ่ะต่อให้เป็นคนร่ํารวยด้วยนะต้องต้องเนี่ยเราอ่านอ่านแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะเพราะาบางทีเนี่ยต่อให้เป็นคนจนครวนี้ต่อให้เป็นคนจนแต่เราไม่เย่อหยิงเรารู้จกัก อ, อ่อนน้อมถ่อมตนเรารู้จักมีสัมมาครารวะต่อให้ตัวดําด้วยทั้งจนทั้งดําเอา้านะทั้งจนทั้งดําเลยสองอย่าง อ, าอะไรอีกแต่งตัวมอซออีกเอา้า รูปร่างไม่หลอ่อไม่สวยอีกเอาเอาให้น้ำใจไปเลย <c oughs> นะแต่มีความอ่นอนน้อมถ่อมตนนะรู้จักที่จะอะไรอ่ะอะไรให้เกียรติคนอื่นเขานะไม่มีความเย่อหยิ่งไม่มีความจองหองแลนะไม่หลงตัวเองนะรู้จักพูดจารู้จักที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเขามีใจกว้างแม้เป็นคนลักษณะอย่างนี้เลยนะ คนนี้แหละสกุลสูงแล้ว่าให้ให้เรารู้ให้เราชัดด้วยอันดับทีสุดท้ายพรจาท่านบอกว่าคนที่จะมีปัญญาสามเป็นคนประเภทไหนถึงจะปัญญาสามนะอ้ะอาวใกล้เคียงไม่ฟังธรรมนี่ใกล้เคียงแล้วอา่าไม่พบตัดสัตย์ปรุษใกล้เคียงขึ้นมาอีกแล้วแล้วอะไรอีก คือมันมีส่วนถูกไงแต่ว่ามันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรงเป้าไม่ตรงประเด็นเพราะอะไรเพราะต่อให้ฟังทำต่อให้พบสัตตพุทธแต่ถ้านะะแต่ถ้าอะไรเพราะว่าฟังเนี่ยบางทีเราก็ฟังรวมรวมใช่ไหมอ่าบางทีเราเข้าเข้าไปหาเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยมีคนอื่นเขาเข้าไป คุยกับสมณะนะเอาเราก็เข้าไปฟังด้วยเอาเราก็ได้ฟังทำเหมือนกันแล้วเราก็ได้เข้าหาเหมือนกันแต่อะไรอ่ะท่านคุยอยู่กับคนอื่นท่านก็บอกคนอื่นท่านก็อะไรไปนะเราก็ฟังด้วยเงี้ยจริงเราก็ได้ประโยชน์อยู่แต่แต่แต่ยังไงไม่อยู่ในโซเลยเอา้าให้โยนที่โสด้วยเอา้า <laughs> ให้โยนที่โสด้วย ให้โยนิสงสิการด้วยอา้าวคือมีจิตแยบคายในการฟังด้วยเอาให้นำมาปฏิบัติด้วยอา้าวต่อให้อีกให้นามาปฏิบัติด้วย <Okay. S 1> คือคือที่อาจมาพูดเนี่ยจริงๆพวกเราพูดเนี่ยมีส่วนถูกอยู่แล้วนะแต่มันยังไม่ตรงเป้าไม่ตรงประเด็นชัดๆของที่ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นะ ส, สายต้องเฉลยเ <laughs> <laughs> พราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะดึกกว่า น, นี้ <laughs> คือความสำคัญมันอยู่ตรงที่เรียกว่า ไม่ใช่แค่เข้าไปหาแต่ต้องรู้จักซักถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นสิ่งที่ควรเสพอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพนะอะไรดีอะไรชั่วเนี้ยคือจะต้องซักถามเพราะความจริงที่บางทีเราฟังฟังไปเนี่ยถูกใจเราก็ได้ไม่ถูกใจเราก็ได้ไม่ตรงประเด็นก็ได้ ฟุกๆก็อาจจะตรงประเด็นบ้างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันยังไม่แม่นเปล่าเพราะความจริงบางทีกิเลสเรามีอะไรใช่ไหมหรือว่าเราดีอะไรเราชั่วอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้ถามได้ถูกต้องได้ตรงจุดเลยเพราะนั้นบางทีเราฟังฟังฟังไปเนี่ยนะถ้ามันถูกพบเราเราก็โอ้ฟังแล้วดีนะแมหมคอยตามอะไรไปแล้ว เ, เอาไปพูดไปทาด้วยแต่ว่ามันก็ยังแบบว่าไม่ไม่ได้ ถูกกิเลสเราจริงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบางทีเราจะไม่ได้ดีจริงหรอกแล้วบางทีเราก็ยังไม่ได้แยกแยะจริงด้วยเพราะบางทีมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะบางทีเราสงสัยหรือว่าเราเองเนี่ยเราไม่เคลียร์หรือแม้แต่ว่าตัวเราเองเรายังรู้สึกเอ้ยเราไม่ชัดนะอะไรเราต้องสอบถามไปเลยว่าเอ้ยอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกนะ เอาน้ำลาดไปแล้วมดมันจะตายหรือไม่ตายนะก็ต้องชัดก็ต้องยอมโง่อ่ะเข้าใจไหมถ้าไปเข้าไปหาผู้รู้อย่าไปนึกว่าฉลาดอะไรนักหนาเลยแล้วก็ถามท่านไปบางทีเนี่ยอาตมาเนี่ยบางครั้งมีหลายทีนะอยากจะถามพ่อท่านอยากจะถามพ่อท่านแต่ก็ อ, อ, อดใจอยู่เรื่อยเลยนะคิดชอบคิดยังไง ร, รู้ไหมเยวคนอื่นคงมีใจเหมือนเราเนี่แหละเาคงถามแทนเรา จนบางทีก็ไม่มีคนถามนะในที่สุดเราก็รู้สึกเราอดไม่ไหวเราก็ต้องถามสิ่งที่เราสงสัยอยู่จนได้ในที่สุดก็ต้องถามเพราะจริงๆแล้วอาตมาถึงบอกไงว่าแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเพราะบางทีเราไปฟังรวมๆเน่ยมันก็อย่างหนึง่งฟุ้กก็ตรงกับเราบ้างแต่ความจริงมันจะไม่ได้ไม่ได้ตรงเป้าตรงประเด็นเราจริงๆมันจะแก้สักกยะเราจริงๆบางทีไม่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยต้องถามด้วยตัวเราเองเลยแล้วจะชัด แล้วคนนั้นจะได้ประโยชน์อย่างสูงด้วยจะได้ประโยชน์อย่างมากอย่างนี้พระเจ้าถึงถึงจะบอกว่าจะเป็นตายไปแล้วเนี่ยหรือจริงๆยังไม่ต้องตายหรอกนะท่านก็บอกว่าคนนี้ก็จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วต่อให้ตายไปแล้วยิ่งมาเกิดใหม่ก็จริงๆตอนยังไม่ตายก็มีปัญญาเพิ่มแล้วตายไปแล้วก็ต้องมีปัญญามากแน่นอนเพรา ะ, ะนั้นอย่างที่อาจามาบอกต่อให้เข้าไปหาสมณนะต่อให้ได้ฟังธรรมแล้ว แต่เราอาจจะยังไม่ปัญญาดีก็ได้ถ้าเราเนี่ยไม่มั่นสักถามนะในสิ่งที่เราสงสัยอยู่หรือสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยต้องถามเพิ่มเราถึงจะเพิ่มปัญญาได้นะเอาเท่าที่เรื่องของวิบากรรมตอนนี้ค้นมาได้มีแค่นี้จริงจริงจะมีมากกว่านี้อีกเยอะอาจจะมาว่าพระเจ้าท่านเองท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็พูดให้เราเป็นแง่คิดนะแล้วก็จริงๆเป็นจริงด้วย ให้เราเนี่ยได้รู้จักบ้างแล้วเราก็เอาไปเปรียบเทียบเอาไปวิปัสนาต่อก็แล้วกันแล้วเราจะรู้เองเลยเคราวนี้ว่าเออไปนึกจริงๆว่าเราทําไม่ดีอะไรไว้เนี่ยมันต้องมีผลกรรมตามมาแน่นอนมันจะตามมาตามรูปแบบนั้นเลยคืออย่างเช่นไปด่าเขาแล้วก็ต้องโดนดา่าเอามาอาจจะตรงๆอย่างนั้นบ้างหรือบางทีมันไม่ใช่ตรงอย่างนั้นหรอกไปด่าเขาแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่โดนด่าจากคนนั้นแล้วคนอื่นอาจจะมาถ่าเราก็ได้ไม่ใช่คนนั้นนะ่ะมันอาจจะโดนมุมสะท้อนมุมอื่นอะไรอื่นก็แล้วแต่นะเราก็จะได้รู้แล้วเราก็จะได้ระวังตัวเราเองว่าเออมันจะมีผลสะท้อนทั้งนั้นเลยนะเราต้องใช้หนี้คืนทั้งนั้นเลยนะถ้าเราไปสร้างหนี้เอาไว้ต้องใช้คืนทั้งนั้นเมื่อเราเชื่อเรื่องกรรมแล้วเราก็รู้ว่าวิบากกรรม ตามมาละหาเราแน่นอนนั่นในหลายๆข้อที่บอกให้ฟังเนี่ยจริงๆนะ่ยมันมีอยู่ในนิสัยเราเกือบทั้งนั้นเลยเราไปทําอะไรไว้เราต้องเจอทั้งนั้นเพราะวันหลังนะ่ะดวงซวยเมื่อไหร่นะเจออะไรซวยๆเข้าหาตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามขอให้รู้เลยว่าโดนทวงคืนดวงมาทวงนี่คืนนะแค่คิดเพียงแค่นี้นี่ลดลงไปได้แล้ะไอ้ตัวที่เราเนี่ยจะไปแบบว่าไปโทษไอ้นัน ไปโทษไอน้นี่ไปโทษไอ้ น, นั่นดูสิไม่เคยเอาดอกหญ้าไปแทงก้นแมงปอเลยทําไมเราจะต้องมาบาดเจ็บที่ก้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่โทษใครล แ, ลแล้วไม่ใบ้วยวายแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเออมันไม่ฉาดนี้ก็ฉานโน้นแล้วเราคงต้องไปทําอะไรมาแน่แน่แหละมันถึงได้ต้องมามีวิบากกรรมอย่างนี้มันจะลดตัวที่เราจะไปเพ่งโทษคนอื่นหรือว่าลดตัวที่เราจะไปโกรธคนอื่นไปเกลียดคนอื่น หรือแม้แต่จะไปรักคนอื่นไปผูกพันคนอื่นมันก็จะลดเพราะอะไรนะนี่พูดอีกมุมหนึ่งบ้างเพราะผููแต่มุมเกลียดพูดแต่มุมโทษอยากไอ้โทษแบบแบบโกรธแบบจองเวรแบบอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะมันยังมีมุมทําไมยังต้องไปผูกพันคนนี้ด้วยนะนี่นี่ไปอีกมุมหนึ่งซึ่งจะให้เราเนี่ยเห็นได้ว่าเออมันวิบากกรรมอะไรเนาะเราไปผูกพันอะไรไว้ยังไงมันถึงได้ แมห่มันมีใจมันผูกพันอย่างนี้อีกทําไมต้องกับคนนี้ทําไมจะต้องกับคนโน้นทําไมจะต้องกับคนนัน้นมันถึงได้มีใจผูกพันอย่างนี้แล้วเราจะให้มันมีวิบากกรรมอย่างนี้ต่อไปอีกเหรอเราไม่คิดจางคายมันบ้างเหรอแล้วผูกพันแล้วมันก็ทุกข์ด้วยเพระมันพอเราคิดอย่างนี้ได้แล้วก็เออเอาละจะได้หาทางตัดหาทางแก้หาทางคายมันลงไปเพื่อที่จะไม่ให้วิบากกรรมเหล่าเนี้ยมันมาเล่นงานเราหนักกว่านี้อีก นะมันจะได้มันถึงจะมีความคิดที่จะตัดจะจางจะคายถ้ามันไม่คิดอย่างนี้นะบอกกันนะมันต้องคิดตรงข้ามกันนะกับเรื่องโกรธเรื่องจองเวงต้องคิดตรงข้ามกันนะไอเรื่องโกรธเรื่องจองเวงนี่มันมันตัดอีกแบบหนึ่งตัดโดยที่เรียกว่าอะไรอ่ะกับพยายามต้องไปเข้าหาต้องไปทําดีกับเขาเพื่อที่จะลดตัวเกียรติชังลงไปนะจะได้ลดวิบากกรรมจากใจเราอันนี้ลงไปแต่ถ้าตัวผูกพันนี่มันตัดตรงข้าม มันตัดตรงที่เรียกว่ากลับจะต้องพยายามเออห่างห่างไว้พยายามที่อย่าไปยุ่งเกี่ยวมากพยายามที่อย่าจะไปอะไรอ่ะติดต่อสัมพันธ์ผูกพันอะไรกันนักเพราะเดี๋ยวมันก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่นะมันตัดเหมือนกันแต่ตัดกันตรงข้ามกันซึ่งมันก็เป็นวิบากกรรมวันพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ลดละลงนะแล้วมันก็จะช่วยทําให้แทนที่วิบากกรรมเราเนี่ยจะเป็นสิ่งไลๆมามันก็จะได้ ปรับเปลี่ยนเป็นวิบากบุญหรือวิบากดีที่จะทำให้เราเนี่ยเออจะได้โชคดีจะได้ไม่ค่อนข้างไปในทางเคอะร้ายสำหรับวันนี้ก็เอาละก็ยุติไว้เพียงเท่านี้